เจ้าหญิงโรเซสกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาและพระราชินีที่มีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนลูกสาวของพวกเขามีผมสีทองที่สวยไม่ว่าใครเห็นก็ต้องต่างตกลุมรักเธอเมื่อถึงวันพิธีของเจ้าหญิงพระราชินีได้เชิญนางฟ้ามาจากทั่วโลก เพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่ขอบคุณสำหรับงานเลี้ยงที่แสนวิเศษพวกเราต้องขออนุ ญ, ญาตลากลับก่อนอย่าลืมพิธีสำคัญสิช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรสเซสฝ่าบาทพวกเราเกรงว่าโรสเซสจะนาความโชคร้ายมาให้กับพี่ชายของตัวเองจนทำให้พี่ชายของตัวเองนั้นต้องตายได้ นั่นคือสิ่งที่พวกเราเห็นสำหรับลูกสาวที่น่ารักของท่านพวกเราต้องขอโทษที่ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้จะบอกพระราชาและพระราชนีต่างเศร้าใจมากหลายวันถัดมาพระราชาได้เรียกมหาเล็กและชายผู้ชานฉลาดมาจากทั่วอาณาจักรเพื่อที่จะปรึกษาแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถให้ทางออกกับพระราชาได้ ในขณะเดียวกันพระราชนีได้แต่ร้องไหขง้ข้างๆเต็นทของโรเซสที่รักมันยังเหลือความหวังอยู่อีกหนึ่งนะพระราชาบอกพระราชนีว่ามีป่าใหญ่อยู่ใกล้ประสาทที่นั่นมีลือสีแก่อาศัยอยู่ต่างมีผู้คนไม่ว่าใกล้หรือไกลต่างเดินทางมาปรึกษาเขางั้นเราควรที่จะไปขอคำปรึกษาเขาบ้างบางทีเขาอาจจะรู้วิธีการหลีกเลี่ยงที่เหล่านางฟ้าได้ทาลายเอาไว้ก็ได้นะ วันรุ่งขึ้นพวกเขาได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าด้วยมา้าและคนของพระราชาได้ขี่ม้ามาตามข้างหลังเมื่อพวกเขาเข้าไปในป่าพวกเขาก็ลงจากหลังมา้าเพราะว่าต้นไม้หนามากจนไม่สามารถเดินผ่านเข้าไปได้พวกเขาเดินทา ง, ทางเท้าเข้าไปในช่องของต้นไม้จนไปถึงที่ลือีอาศัยอยู่ลือศีสามารถจำพระราชาและพระราชนีได้ยินดีต้อนรับพระราชาและพระราชนี มีอะไรห้ฉันช่วยเหรอพระราชินีเล่าเรื่องทั้งหมดที่นางฟ้าได้ทํานาเกี่ยวกับตัวโรเซสให้ฟังและถามลือศีว่าเธอควรจะทํายังไงกับปัญหานี้ดีแล้วลือศีก็ตอบว่าควรจะขังเจ้าหญิงไว้ที่หอคอยและไม่ควรปล่อยให้เจ้าหญิงออกมาอีกพระราชินีขอบคุณและได้มอบรางวัลให้กับเขาแล้วเดินทางกลับไปที่ประสาทในหอคอยเจ้าหญิงถูกขังไว้ที่นั่น และพระราชาพระราชินีพร้อมด้วยพี่ชายของเธอทั้งสองก็จะไปเยี่ยมทุกวันเพื่อไม่ให้เธอเบื่อพี่ชายคนโตของเธอถูกเรียกว่าเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่และพี่ชายคนที่สองของเธอถูกเรียกว่าเจ้าชายตัวน้อยพวกเขารักน้องสาวของเขาจนหมดใจและไม่ชา้าพระราชาและพระราชินีก็ล้มป่วยและเสียชีวิตลงในวันเดียวกันระฆังทุกใบถูกตีดังขึ้นทั่วราชอาณาจักร ทุกคนต่างเศร้าเสียใจโดยเฉพาะโรเซสถึงวันหล่อแล้วที่ท่านต้องปกครองเมืองคุนนางและมหาดเล็กได้ให้เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ได้สืบทอดบัลลังก์และสวมมงกุฎสีทองซึ่งประดับไปด้วยเพชรทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญตอนนี้พวกเราเป็นใหญ่แล้ว ไปเอาน้องสาวของเราออกจากหอคอยที่น่าเบื่อเพราะเธอคงเหนื่อยเต็มทีแล้วอรุณสวัสดิ์พี่ชายสุดที่รักได้โปรดพาฉันออกไปจากหอคอยที่น่าเบื่อนี่ทีฉันเบื่อเต็มทนแล้วออกไปจากหอคอยที่น่าเกลียดนี้กันเถอะและอีกไม่นานพระราชาจะจัดงานแต่งงานให้กับเธอ เมื่อโรเซสเห็นสวนที่งดงามซึ่งเต็มไปด้วยผลไม้และดอกไม้และผืนหญ้าสีเขียวและน้าพุที่สองประกายเธอรู้สึกอัศจรรย์ใจว้าวนี่น่ะเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยนะเธอชอบใจอะไรนักหนาเหรอนั่นคืออะไรหรอมันคือนกยุงมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามที่สุด ฉันขอประกาศว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครยกเว้นพระราชานกยุงเท่านั้นแต่ว่าน้องสาวฉันจะไปหาพระราชานกยุงที่ไหนล่ะโอ้ที่ไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าฉันน่ะจะไม่แต่งงานกับคนอื่นเด็ดขาดพระราชาและเจ้าชายคิดหนักมากว่าจะไปหาพระราชานกยุงที่ไหนพวกเขาได้สั่งวาดรูปเจ้าหญิงซึ่งภาพวาดออกมาเหมือนเธอเปในเมื่อเธอจะไม่แต่งงานกับคนอื่น นอกจากพระราชานกยุงพวกเราจะออกไปในโลกของป่าเพื่อที่จะตามหาเขาแล้วในขณะเดียวกันได้โปรดดูแลบ้านเมืองให้เป็นอย่างดีขอบคุณที่ยอมเดือดร้อนเพราะว่าฉันฉันสัญญาว่าจะดูแลบ้านเมืองเป็นอย่างดีค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพระราชาและเจ้าชายเริ่มเดินทางออกจากปราสาททั้งคู่เดินทางไปเรื่อยๆและเดินทางออกไปไกลามาก ไกลมากจนไม่มีใครเดินทางมาไกลได้ขนาดนี้พวกเขาถามทุกคนที่เขาเจอนายรู้จักพระราชานกยูงไหมแต่ทุกครั้งคำตอบมักจะบอกว่าไม่และก็ไม่ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางไปถึงถนนที่เต็มไปด้วยนกยูงและต้นไม้ทุกต้นก็มีนกยูงอยู่และเสียงของพวกนกยูงก็ได้ยินออกไปไกลาตามท้องถนน และถนนแห่งนี้ได้นําทางพวกเขามาที่เมืองซึ่งทุกคนในเมืองทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างแต่งตัวด้วยขนนกอยู่และในที่สุดพวกเขาก็เห็นพระราชาที่มาบนรถสีทองตกแต่งไปด้วยเพชรระยิบระยับและรถนั้นถูกลากด้วยนกยูงถึง12ตัวด้วยกันพระราชาและเจ้าชายต่างมีความสุขที่ได้เห็นพระราชานกยูงพวกนายดูเหมือนคนแปลกหนะ้พวกนายเป็นใครกัน ท่านนี่คือพี่ชายของฉันเป็นราชาเหมือนกับท่านนั่นแหละและฉันคือเจ้าชายและนี่คือรูปของน้องสาวของพวกเราเจ้าหญิงโรเซตพวกเรามาไกลเพื่อที่จะถามท่านว่าท่านอยากแต่งงานกับเธอไหมหัวใจของเธอเป็นสีทองเหมือนกับผมที่สวยของเธอไหมเธอดีกว่านั้นเป็นร้อยเท่าเลยดีมากฉันจะแต่งงานกับเธอด้วยหัวใจของฉัน และจะทำให้เธอมีความสุขเธอจะต้องมีทุกอย่างที่เธออยากได้และฉันจะต้องรักเธอหมดหัวใจแต่ว่าฉันขอเตือนพวกนายว่าเธอต้องมีหัวใจสีทองเหมือนกับผมที่สวยของเธอไม่งั้นฉันจะลงโทษพวกนายโอ้แน่นอนพวกเราตกลงดีมากถ้า ง, งั้นไปพักที่ห้องรับรองแขกกันเถอะจนกว่าเจ้าหญิงจะมาถึง ไม่นานนักโรสเซสก็ได้รับจดหมายของพี่ชายที่บอกว่าพวกเขาได้เจอกับพระราชานกยูงแล้วเธอจะต้องเก็บสมบัติทั้งหมดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และจะต้องเรียบมาเพราะว่าพระราชานกยูงนั้นรอที่จะแต่งงานกับเธออยู่พี่ชายฉันเจอพระราชานกยูงแล้วและเขาก็พร้อมที่จะแต่งงานกับฉันด้วยโรสเซสทิ้งอาณาจักรของพี่ชายไว้กับชายแก่ผู้ชาญฉลาดที่สุดของเมืองให้ดูแล ดูแลทุกอย่างและทำให้ประชาชนอยู่อยากมีความสุขที่สุดจนกว่าพระราชาจะกลับมาเธอได้ออกไปพร้อมกับพยาบาลและลูกสาวของพยาบาลพร้อมหมาสีเขียวของเธอฟริกซ์พวกเขาออกเดินทางด้วยเรือไปในทะเลเมื่อโรเซสและฟริกซ์ได้หลับลงพยาบาลชั่วร้ายได้เดินเข้าไปหาชายภายเรือนายอยากได้รางวัลหรือเปล่าล่ะแน่นอนฉันอยากได้ดี งั้นฉันจะให้ทอง100นหนึ่งอยเหรียญกับนายถ้านายช่วยฉันโยนเจ้าหญิงลงทะเลและเมื่อเธอจมลงฉันจะแต่งตัวลูกสาวฉันด้วยชุดของเธอและเราก็จะพาลูกสาวฉันไปหาพระราชานกยุงผูดชายที่ยินดีจะแต่งงานกับเธอฮความคิดที่จะได้ทองทําให้ชายภายเรือตกลงที่จะร่วมมือกับพยาบาลชั่วร้ายพยาบาลชั่วร้ายชายภายเรือและลูกสาวของเธอ ยกเจ้าหญิงพร้อมด้วยเตียงขนนกของเธอและฟลิกซ์ขึ้นและพวกเขาก็โยนลงไปในน้ำทันทีแต่ว่าโชคดีที่ขนนกเตียงของเจ้าหญิงนั้นทำมาจากขนนกฟีนิกซ์ซึ่งหาได้ยากมากและความพิเศษของมันก็คือสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้โลสเซสจึงลอยตัวอยู่เหนือน้าเหมือนกับเธออยู่บนเรือไม่มีผิดทันใดนั้นฟริกซ์ตื่นขึ้นมาและเริ่มเห่า มันเห่าเสียงดังและไกลออกไปนั่นจึงทำให้ปลาทั้งหมดที่ว่าอยู่นั้นต่างใช้หัวโขกรอบเตียงเพื่อปลุกให้โสเซสตื่นขึ้นมาพวกนั้นหลอกเราพยาบาลชั่วร้ายและชายภายเรือได้หนีไปไกลแล้วรีบไปที่พื้นดินกันนี่คงจะใกล้เมืองของพระราชานกอยู่เข้าเต็มทีแล้ว ลูกสาวของพยาบาลได้ใส่ชุดขนสัตว์ที่สวยที่สุดของโรสเซสและใส่เครื่องเพชรของเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าตอนนี้เรือได้มาถึงฝั่งของอาณาจักรพระราชานกยุงแล้วเมื่อเธอได้ก้าวลงจากเกรือนกยุงทั้งสิบสองตัวต่างก็เงียบงันและประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นเอาอะไรมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะตัดหัวทุกตัวเลยไม่เพียงแต่เธอไม่ได้มีผมสีทอง แต่เธอยังชั่ว okay. ร้ายด้วยนี่น่ะเหเจ้าสาวเจ้าน่าสงสารพระราชาของพวกเรามันไม่คุ้มกับการที่เธอจะมาอีกฝั่งของโลกเลยการเดินทางไกลเป็นไปอย่างช้าๆลูกสาวของพยาบาลนั่งอยู่บนรถและพยายามที่จะทำตัวให้เป็นเหมือนดักราชินีเธอจะตบและหยิกทุกคนที่เธอเข้าใกล้ขณะเดียวกันรสเซสและฟริกได้ขอความช่วยเหลือจากปลาจนพวกมันสามารถพามาถึงอาณาจักรของพระราชานกอยู่ ขอบคุณมากนะฉันจะไม่มีวันลืมความช่วยเหลือเลยเอาเรื่องที่ช่วยเหลือฉันไปบอกกับเพื่อนๆและครอบครัวซะเราต้องรีบไปกันแล้วนําทางไปเลยฟริกส์ <c oughs> รถลากนกยูงเดินทางมาถึงปร า, าสาทที่ซึ่งราชานกยูงกับพี่ชายของโรสเซสได้รออยู่เพื่อต้อนรับเจ้าหญิงราชินีตัวปลอมได้ลงจากรถและเตะนกยูงที่อยู่ข้างๆ <c oughs> อย่ามาขวางทางฉันนะอะไรนะ พวกนายจอมชั่วร้ายทั้งสองเเรียกตัวเองว่าพระราชาและเจ้าชายเหรอกล้าดียังไงที่หลอกฉันน้องสาวนายไม่มีผมสีทองและที่แน่แน่เธอไม่ได้ใจดีแน่นอนและพวกนายขอให้ฉันแต่งงานกับสิ่งมีชีวิตที่จิตใจดําเช่นนี้เหรอแต่วา่านี่ไม่ใช่น้องสาวเราต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันแน่แน่โกหกโกหกมีแต่เพียงคําโกหก ทหารจะพวกเขาและน้องสาวของเขาเอาไปขังในหอขอเยี่ยงนักโทษหยุดนะโรเซสวิ่งไปที่พระราชานกยูงพร้อมได้ฟริกซ์ที่ตามหลังเธอมา <c oughs> เธอคุกเข่าลงต่อหน้าพระราชานกยูงโอ้พระราชานกยูงฉันคือเจ้าหญิงโรเซสตัวจริงและเธอสวมชุดของฉันเธอคือลูกสาวของพยาบาลผู้ชั่วรายของฉันเองค่ะพระราชานกยุงตกใจมาก โรเซสอธิบายทุกอย่างให้พระราชาโนกยุงได้ฟังทหารจะพยาบาลและลูกสาวของเธอมัดตัวเธอซะแล้วโยนลงทะเลทับทหารรีบปล่อยตัวพี่ชายของโรสเซสและจับพยาบาลผู้ชั่วร้ายพร้อมกับลูกสาวของเธอแต่เมื่อโรสเซสหันมาหาพระราชานกยุงและกล่าวว่าโอ้พระราชาโนกยุงได้โปรอดอย่าทำอะไรพวกเขาเลยนะคะให้อภัยในความโลภของพวกเขาเถอะพวกเขาจะดีขึ้น ถ้าหากให้อภัยพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้ความผิดพลาดและจะไม่กลับไปทําชั่วร้ายกับใครเขาอีกพระราชานกยูงประทับใจในความใจดีของโรสเซสที่มีต่อพยาบาลชั่วร้ายและลูกสาวของเธอในขณะที่พวกเขาพยายามจะทําร้ายเธอด้วยซ้ำพระราชานกยูงจึงยิ้มไม่เพียงแต่ผมของเธอจะเป็นสีทองแต่ว่าหัวใจเธอก็เป็นสีทองด้วยฉันประทับใจมากเลยพระราชานกยูง ได้ให้อภัยพยาบาลผู้ชั่วร้ายและลูกสาวของเธอพยาบาลคืนชุดและเครื่องประดับพร้อมด้วยทองที่อยู่ในถุงให้กับโรสเซสพระราชานกยูงแก้ตัวกับพระราชาและเจ้าชายที่เขาปฏิบัติตัวด้วยไม่ดีในครั้งแรกงานแต่งงานถูกจัดขึ้นและพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแม้กระทั่งฟริกซ์ที่มีความสุขกับอาหารอย่างหรูหรา ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยตลอดไป